بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامدي الشريط الخامس عشر ويحتوي على جزئي ا ل ز ا ر ي ا ت والمجادلة ن ن م ب د أ ز ا ر ي ا ت ب و ن ี้เป็น بود مكيا مية หกสิบองกา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 แสดงการโอหังและสิ่งที่จะประสบแก่พวกเขาคือการถูกลงโทษและถูกทําลายอย่างที่น่าบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายขอยงการสร้างมนุษย์และยินนั่นคือการรู้จักเอลเลอร์การเคารพพักดีต่อพระองค์การให้ความเป็นเอกภาพต่อพระองค์การให้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์องค์เดียวและการผินหน้าสู่พระองค์ด้วยการแสดงความใกล้ชิดและการเคารพพักดีต่อพระองค์ในทุกรูปแบบ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 ่ิล่นไปอย่างสะดวกสบายขอสาบานต่อมาลิกาผู้จัดสรรการงานถ้าจริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาวไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนและแถ้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอสาบานต่อฟากฟา ที่มีวิถีทางโคจรอย่างมากมายแท้จริงพวกเจ้าอยู่ในคำพูดที่ขัดแย้งกันผู้ที่หันเห อ, ออกจากศัตธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเห อ, ออกจากการศรัทธาผู้ที่กล่าวเท็จแก่ละ บ, บีจะถูกสาปแช่ง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 พวกเจ้าตรงลิมรถการทดสอบของพวกเจ้าเถอะนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเรามาอินนัลมุตตกีนฟีจนาทินว่ายูนถ้าจิงบรนดาผู้ยังเครงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีต่าน้ำอาคิดีนมาอาตาหุมรับบุมอินนะหุมกานูกับลดาลิกมุหสินี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 และในยามรุ่งสางพวกเขาขอพยโทษต่อพรหมและในทรัพย์สินของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอและในแันดินนี้มีสัญญาณต่างๆสำหรับผู้ศรัทธาเชื่อมัน่น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 สเสมือนกับที่พวกเจ้าพูดกันเรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบราฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหมเมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอิบราฮีมพวกเขาก่าวทักทายว่าสันติเขาก็กล่าวตอบว่าสันติ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 แล้วภรรยาของเขาก็ได้ออกมาตะโกนด้วยความดีใจพลางตบหน้าของนางแล้วกล่าวว่าหญิงแก่เป็นหมันจะมีลูกาาลบบพวกเขากล่าวว่าเช่นนั้นแหละพระผู้อภิบาลของเธอได้ตรัสไว้เช่นนั้นแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้สเสมอ เขากล่าวว่าดังนั้นความมุ่งหมายของพวกท่านคืออะไรเล่าโอบันดาพูดเลยพวกากล่าวว่าแท้จิงเราอูกส่งมายังกลุมชนริพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้กระทำผิด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 าาและเราไม่พบผู้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของผู้ที่เป็นมุสลิมและเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไว้สำหรับบรรดาผู้ที่กลัวต่อการลงโทษอันเจ็บปวด วาีมูสออิในเรื่องของมูซาเมื่อเราส่งเขาไปยังฟิราวพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่เจ้าวัาล่ะรุกมิฮว่ากาลซห์อวมจรูนแต่ฟิราวได้ผินหลังออกไปพร้อมกับบริวารของเขาแล้วกล่าวถึงการทำหน้าที่ของมูซา ว, ว่าเป็นนักเล่นกลหรือคนบ้า ดังนั้นเราได้เอาเขาและใพร่พลของเขามาแล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเลโดยที่ตัวเขาถูกประณาม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 เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงสนุกราเริงไปชั่วขณะหนึ่งเถิดแต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นเสียงกบฏน่าก็ได้คราชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่แต่เม่อต่จากมิขี่มุและไม่คานุ่มตั้ร แล้วพวกเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้และพวกเขาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้วะะกกกููิิมมมมีนนนนนนับลอาาฟสและกลุ่มชนของนัวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนวละสัมมาเบเนินาฮาเไอิดิุวะอินนาลลมูซิอุ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 ق ق พวกเขาได้สั่งเสียในเรื่องนี้แก่ฉันขนาดนั้นนเปล่าเลยเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดขอบเขตแต่แ ล, ล, ล้วเจ้าจงพินหลังออกจากพวกเขาเถิดแล้วเจ้าจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิ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 แาจิงสำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิดนั้นเขาได้รับการลงโทษเยี่ยงการลงโทษเพื่อนๆของพวกเขาดังนั้นอย่าได้รีบเร่งให้ข่าลงโทษเลยดังนั้นความหหยนะจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขาซึ่งได้ถูกสัญญาไว้